เรื่องสุ ป, ปะพุทธะสักยะพระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในนิโครธารามทรงปรารภเจ้าสักยะทรงนามว่าสุ ป, ปะพุทธะดังได้สดับมาเจ้าสุ ป, ปะพุทธะพระองค์นั้นผูกอาฆาตในพระศาสดาด้วยเหตุสองประการคือทิ้งลูกสาวของเราออกบวชหนึ่งให้ลูกชายของเราบวชแล้ว ตั้งอยู่ในฐานะแห่งผู้มีเวรต่อลูกชายนั้นประการหนึ่งวันหนึ่งทรงดำริว่าจะไม่ให้สมณะโคโดมนั้นไปฉันยังสถานที่นิมนต์จึงปิดทางเป็นที่เสด็จไปนางสเสวยน้ำจัน์ในระหว่างทางแม้มหาดเล็กทูลเตือนว่าพระสัสดาเสด็จมาแล้วก็คงประทับนั่งอยู่แล้วรับสั่งว่าใครจะใหญ่กว่าเรา สมณะโคดมไม่ใหญ่ไปกว่าเราดังนี้พระสาสดาไม่ได้หนทางจากสำนักของพระมาตุละคือลุงแล้วจึงเสด็จกลับจากที่นั้นทรงตรัสว่าเจ้าสุปาพุท ธ, ธนั้นไม่ให้ทางแก่พระพุท ธ, ธเจ้าเช่นเราทำกรรมหนักแล้วในวันที่เจ็ดแต่วันนี้เท้าเธอจะเข้าไปสู่แผ่นดินคือดวนธรณีสูบ หน้าที่ใกล้เชิงบันไดในภายใต้ปราสาทเจ้าสุปปพุท ธ, ธะทรงทราบคิดว่าเราจะไม่ไปสู่ที่ใกล้เชิงบันไดในภายใต้ปราสาทจะจับเท็ดพระสมณโคโดมกล่าวคำไม่จริงแล้วทรงทาการรักษาพระองค์อย่างแข็งแรงรับสั่งให้พวกมหาเล็กขนเครื่องใช้สอยของพระองค์ไปไว้บนปราสาทชั้นเจ็ดให้จักบันไดปิดประตู ตั้งคนแข็งแรงไว้ประจำที่ประตูประตูละสองคนเพื่อห้ามพระองค์มิให้ลงไปข้างล่างโดยประมาทดังนี้แล้วทรงประทับนั่งในห้องอันเป็นสิริบนพื้นปราสาทชั้นที่เจ็ดพระศัสดาทรงสดับเรื่องนั้นแล้วตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเจ้าสุ ป, ปพุทธมิใช่จะนั่งบนพื้นปราสาทอย่างเดียวต่อให้เหาะขึ้นไปสู่เวหาด์นั่งในอากาศก็ตาม ไปสู่สมุทรด้วยเรือก็ตามเข้าซอกเขาก็ตามธรรมดาพระดำรัดของพระพุทธเจ้าทั้งหลายจะเป็นสองไม่มีเท้าเธอจะถูกธรณีสูบในสถานที่เราพูดไว้นั่นแหละจึงทรงตรัสพระคาถาว่าบุคคลจะนั่งอยู่บนกลางหาวเข้าไปสู่ถ้ำกลางสมุทรเข้าไปสู่ซอกเขาก็ไม่พ้น ประเทศคือแผ่นดินที่ความตายไม่พึงครอบงำย่อมไม่มีในการจบเทศนาชนเป็นอันมากบรรลุอริยผลทั้งหลายมีโซดาปฏิพลเป็นต้นในวันที่เจ็ามงคลเป็นเหตุให้เท้าเธอเสด็จลงจากประสาทด้วยว่าม้ามงคลเกิดคึกขนองกระแทกแล้วซึ่งฝาคอกนั้น เท้าเธอประทับนั่งอยู่ชั้นบนแห่งปราสาทได้สดับเสียงของม้านั้นมีพระประสงค์จะจับม้านั้นสเสด็จลุกจากที่ประทับบ่ายพระพักมาทางประตูประตูทั้งหลายเปิดเองทีเดียวบันไดตั้งอยู่ในที่ของตนตามเดิมคนแข็งแรงผู้ยืนอยู่ที่ประตูจับเท้าเธอที่พระสอคือที่คอผลักให้พระพักขม ำ, ำลงไปโดยอุบายนั้นประตูที่พื้นทั้งเจ็ด ก็เปิดเองขณะนั้นมหาปตพีแตกแยกออกคอยรับเจ้าสุปาพุท ธ, ธนั้นพูดถึงที่ใกล้เชิงบันไดที่ภายใต้ประสาทนั่นเองเท้าเธอถูกแผ่นดินสูบไปบังเกิดในเอเวจีนรกแล้วแล